การปฏิบัติธรรมละปฏิบัติหน่นกการต่างๆมากมายจึงเกิดกายกับใจของเรากายกับใจเป็นตัวชีวิต จะมีชีวิตที่สะดวกในการเคลื่อนไหวทำหน้าที่จิตก็ดีสมองก็ดีกายก็ดีก็ทำหน้าที่ทำงานทำการได้มีความงดงามกลายเป็นศาสตร์กลายเป็นศิลป์ศิลปะทางกายทางวาจาทางจิตใจ เปิดวิชาการต่างๆมากมายเป็นศาสตร์แขนงต่างๆเรามาสึกษาเรามาศึกษาประวัติศาสตร์เข้าถึงตัวการฝึกสติฝึกปัญญาในการสร้างความรู้สึกตัวเองเห็นาการของกายกายเป็นก้อนทุกข์ใจเป็นทุกข์กายเป็นก้อนทุกข์ นะจึงเป็นวตัตถุรูปธรรมใจมันเป็นทุกขนะ์เป็นนามธรรมตาไม่รู้หลงเข้าไปแต่ว่าจิตคิดนะจิตที่นลงไปความคิดนะจิตไม่ใช่ความคิดความคิดไม่ใช่จิตเป็นอาการของกันและกันเราก็สร้างความรู้สึกตัวฝึกสติ ให้เป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดความยืดิธรรมระหว่างจิตกับความคิดระหว่างความคิดซึ่งกอตัวเป็นอารมณ์กับร่างกายวัตถุรูปธรรมเราก็จึงไม่ได้เห็นทุกอย่างเดียว เราเห็นความไม่ทุกข์ด้วยเราจะไม่เห็นสิ่งที่ผิดปกติอย่างเดียวเราเห็นความเป็นปกติด้วยเราจะไม่เห็นกายที่มันเคลื่อนไหวอย่างเดียวเราเห็นใจที่มันรับรู้แล้วก็เป็นปกติด้วยมันจึงเป็นการเห็นรูปเห็นนามไ ป, ปบ่อ้อ่มกันว่มาเห็นนามรูปก็คือตัวความคิดจิตคิด เห็นอาการเวลามันไม่คิดเวลามันปกติมันก็เลือกเป็นบางทียังไม่ได้เห็นด้านหนาของอาการที่เป็นรนาการเห็นโดยการสัมผัสอย่างเดียวมันเป็นการคิดเห็นมันจึงมีจินตาวิญญาณแล้วภาวนาวิญญา บางทีมันก็ยังไม่ดันไข้ควรมันก็ได้ข้อมูลก่อนจากการฟังา ก, การอ่านก็เรียกว่าสุดตาป็นยมญาฟังได้ดีก็ได้ปัญญาสุดเสสงเังฆเตปัญญาก็ดึงเอความรู้จากคนอื่นจิตสู่จิตทมสู่ทถ้ารู้สู่้ารู้ตรงไปตรงมา การถ่ายเทย ถ, ยถ่ายทอดรอนษษษษรโมตัสสะพะว่ตหตสัมมาสมัมพุทธะข อ, ขอนอบน้อมจะน้อมได้เราก็เห็นอยู่เราก็ได้ยินอยู่เราสัมผัสอยู่เราน้อมก็มาใส่ตัวในว่าท่าธรรมธาทําทอะไรดีเรามาเติมเต็มในยุอทของเรา อะ่างของบุนั่นแหละบุญสิบสองกรองสิบสี่ความสุขที่ได้มาโดยชอบไม่ได้เวียนเวียนตัวเองไม่ได้เวีเวียนผู้อื่นมันจะเกิดขึ้นมาขนาดเวลาทีเราได้ดูได้รู้ได้เห็นได้ล้มพันอยากยก่เป็นกลุ่มก้อนเป็นกองจะเป็นกระซวงตะบองกลมก็ว่าได้เราเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตของเรา บางทีจเกิดกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นมาอยากแยะอะไรเป็นความยุติธรที่ทําให้เกิดความสะดวกในการตัดสินใจมันก็มีมันอยู่ข้างในบางทีก็เป็นกระทรวงธรรมการกระทรวงศึกษาธิการอะไรเงี้ยมันจะพาไปรู้ รู้นั่นรู้นี่รู้น่นรู้ไปแตกฉานไปสมมติบัญญัติมันไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นไม่เคยเป็นก็เป็นอาการต่างๆในตัวเราธรรมะเราเกี่ยวข้องด้วยกรรมฐานนาทีการงานต่างๆงานกรรมฐานกเกิดวิปัสสนาขึ้นมาเกิดการเดินทางการงานของนักบวตความรู้สึกตัวแต่ละนาเหมือน9้าวแต่ะก้ การเคลื่อนไหวใจรู้เป็นงานที่ทําให้จิตใจของเรามันสูงส่งเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขเกษมสารความเป็นปอติเป็นความสุขอย่างยิ่งบางทีมันก็มีความเพลิดเพลินเกิดขึ้นมาทาให้เกิดความเสื่อมต่างๆมากมายเช่นถ้าเป็นพระสงค์มองหน้ามาตุคาม เกิดกำลัหนัก เ, เป็นความเสื่อมบางทีก็เห็นกรารบดีบำงุงบำเรอได้วัตถกกุกรมคุณกรมคุณห้าตาหูจมูกเด่นนก็เกิดความเพลิดเพลินขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความเสื่อมคิดถึงในการเก่าเคยยอกล้อกับมาตุกคาม เ, าเกิดความสุขขึ้นมา อันนี้ก็เป็นความเสื่อมบางทีก็ยินดีในการนวดเฟ้นการนวดกันเฟ้นการสัมผัสอันนี้ก็เป็นความเสื่อมบางทีก็อีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เกิดความพอพอใจยินดี เป็นลกักษณะของนันทิลาคะนันติสากตาลาคะนันทีนันทีเนี น, นนะก็คือความเพลิอนอำนาจของความเพลนนินทั้งหลายพัทีการงานก็ทําให้เพลินในงานให้ตัวเพลินตดยนั่นแหละที่เราไม่รู้ก็คือทุกข์ควารู้สึกตัวเนื่อยแล้ว มัทีเป็นคิดดีทำดีแล้วก็ลงมือทำแล้วก็ติดความเพลินอำนาจความเพลินมันก็เลยต้องทำต่อต่อต่อต่อต่อต่อไปประเภทนี้เข้ากรรมฐานไม่รอดเลยพอเจออารมณ์ต่างๆก็มาจิตเหี่ยวแห้งร้อแท้หมดกำลังใจหมดเรียวหมดแรงไปเลยก็ต้องกลับมารู้สึกตัวเสริมเติมพลัง กลับมาหาหลักของชีวิตหลักของกรรมฐานมันเป็นความสะดวกขืนสู่สภาวะปกติของจิตบางที่มันหมดกำลังนะเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวไม่ได้จะยกมือสิบสี่ง่ายนะแต่ก็ได้อำนาจความเพลินมาเติมตั้งแต่ไหนเช่นหาเหตุอย่างนี้เป็นต้นก็เห็นอยู่คนที่หาเหตุจะเพลินนี่แหละหาปากหาย่าให้มันจะเพลินอํ า, นะ า, า, า, อา น, อนาจความเพลินในการทำปลาขัว เผยง่ากิเลสตบหน้าฉาติใหญ่ฮะยังไม่รู้ตัวนะนีนตรงนี้เราก็เลยเห็นบาที่ถ้าไม่รู้สึกตัวอย่างแท้จริงไปทำอะไรเนมันพิดไปหมดอะไม่มีถูกหรอกจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันพิดไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์มีสติเต็มรอบนะทำอะไรแบบมันไม่ผิดนอันท้ายสุดมันมีปัญญาตัวรอดมันยจะได้ฮะเราเลยเห็นพระวินัยกําหนดบว่าพระอรหันต์เนี่ยทาอะไรคร อยู่ในกรอบนะเราสมมติได้เป็นพระละหันอย่างนี้นะบางทีก็ยังมีเรื่องเล่าเหมือนก็ตลกนะแต่ว่ามันดูแล้วมันก็อน่าคิดทีเดียวฟังแล้วก็น่าคิดทีเดียวอาจารย์เซนแล้วไปกับลูกศิษย์ปรากฏว่าเขาไมอุ้มผู้หญิงนะผู้หญิงมันเป็นผู้ดีแล้วก็มันข้ามน้ําไม่ได้มันติดอยู่ ถ้าเป็นบางที่ก็บอกมันใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าดีเกินมันข้ามน้ำไม่ได้ถอดยาก ก, ยออก็ยืนร้องไห้ไม่รู้จะข้ามยังไงชุดก็สวยสะอาดสา้นอาจารย์เซ็นไม่เห็นก็อุ้มไปให้อีกฝั่งลูกศิษย์ทำไมทำไมทาอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้นอาอจารย์นี่ผิดศีลแล้วอาบัตแล้ว ทำไมเป็นอาจารย์ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เดินคิดไปทุกไปจ็นั่งอาจารย์เซนเห็นลูกศิษย์มันเดินไปทุกไปเออไม่ว่าแล้วปล่อยมันปลายสุดลูกศิษย์ก็เ อ, อ่ยปากถามเออทำไมอาจารย์ทำอย่างนั้นผมเห็นแล้วไม่ไม่มีความสุขเลยเห็นแล้วไม่สบายใจเลยอาจารย์ก็เออระวังเธอไว้ตั้งหนึ่น่วยริมคลอง ดิมลำทานนู่นเธอยังแบกมาถึงที่นี่แล้วเนะี่มันก็คือความคิดเราไม่จะจดจำนะมันก็จะออกมาแล้วนะที่ว่าให้เราได้เห็นได้รู้ถ้ารู้ทันก็ตอนที่เราฝึกความรู้สึกตัวฝึกสตนะิถ้าฝึกสติยังเห็นแล้วก็ยังไม่รู้จักไปทํางานก็ไม่รู้หรอกหรือบางทีมันก็อ า, อาจจะรู้ก็ได้นะแต่จะมีสักกี่คนอย่างเงี้ยนะ แต่ว่าให้สังเกตแต่บางทีทํางานทําการถ้าเป็นกิจวัตรจาวันเป็นเรื่องที่เราทําแล้วเราสังเกตได้ว่ามันมีความคิดเกิดขึ้นมาขณะทําการทํางานเวลาจิตมันทํำโดยไม่ต้องใช้ความคิดเช่นหยิบไม้กวาดมากกวานอย่างนี้มันไม่ได้ใช้ความคิดอนะมันกวาดก็มันไปขวาดก็มันไปหรว่เดินจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเนียเช่นจะเข้าห้องน้ำอย่างนี้ บางทีมันก็มีความคิดแสบๆเนกะันมาระหว่างที่เราเดินแล้วก็ผ่อนคลายเวลายอยู่ในกรรมฐานมันอาจจะเพ่งจ้องหรือว่าไปหาดูคิดดูบางทีก็อยู่กับความคิดแต่ว่าเรารู้ไม่ทันมันเพราะสัมผัสยังไม่ชัดยังแยกไม่ออกเพราะฉะนัะ้นบางทีเราเดินอยู่เพลินๆนะความคิดมันแวบบอันนี้เราจะได้ประโยชน์ทีเดียวสมัยหนึ่ง สมัยพุทธกาลมีกาบดีคนหนึ่งมีคกวีนอยู่ห้ารอยเล่มเสร็จรแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในวัตถุ ก, กามาคกคลกาบดีผู้นี้ก็ชื่อปุณณมานพนะพระปุณณนะตอนที่บวชแล้วชื่อพระปุณณนะแต่ตอนยังไม่บวชเป็นปุณณะกาบดี กดหนนะ้ามานกมีเพียนห้าร้ยเล่มค้าขายมังคังลำรวยก็เปิดเผนวัตถุกรรมคุนครั้งหนึ่งนะไปค้าขายอยู่แถวเจตวันแต่แล้วมีคนไปฟังธรรมกันเนยอะเหลือเกินฟังธรรมเจ้าองคมเด็จสมานเจ้า พระพุทธนก็สงสัยว่าเขาไปทําไมกันถือดอกไม้ทูบเตรียมแต่งตัวเสื้อผ้าแพรพันแล้วก็หายก็ไปทางวัดเจดวันก็ถามไปทําไมบอกไปฟังทำพระพุทธน่ะไปฟังแล้วโอ้ทราบซ่างเสียวก็ไปในกระดูกเลยเสียวมันฟังแล้วทำมามันปรากฏขึ้นมาแต่แล้ววันนั้นพระเจ้าก็พูดถึงว่า อำนาจความเพลินตาดูกระทบรู้กระเพินหูฟังเสียง ก, เงเก็เพลินเสร็จแล้วกระเพินแล้วมันกลายเป็นเรื่องของความทุกข์โดยที่เราไม่รู้ว่ารู้ตัวอำนาจความเพลินคือความทุกข์แต่ถ้าออกมาจากความเพลินซะได้มันคือความสุขที่แท้จริงเห็นสอว่าเห็นได้ยินสอว่าได้ยิน รู้ว่กลิ่นสกวกลิ่นลิ้นสัว่ารสชาตินีรสชาติสัว่ารสชาติเวลาลิ้นกระทบสัมผัสกายสัมผัสหรือว่าทำอารมณ์ต่างๆปรากฏขึ้นมามันเป็นสักว่าสัว่าม จ, จะไม่ไม่เข้าไปอยู่ในแมงความเพลินท้ายสุก็รู้สึกเรื่มใส่ศรัทธาอย่างแรงกล้าก็ ถ, าถือบวชออกบวช จะเป็นพระที่มีเรียกว่ามรดกรูปหนึ่งพระปุณณนะครั้งหนึ่งจะไปเมืองปูรา น, นันตะบ้านเกิดของตัวเองพระเจ้าก็บอกว่าเออถ้าไปถ้าชาวบ้านก็โหดร้ายก็ดูด่าอย่าทำเลยท่านก็มองแง่ดีบอกว่าแล้วก็าด่าก็ดีว่าก้นหินมาปลาก็ถ้าเขาปาละ่ะก้อนหิน ก็ดีกวาาา่าเขามีมาแทงถ้านก็มีมาแทงแหละมันเจ็บหน่ก็ดีกว่าเขาแทงให้ตายเขาฆ่าให้ตายเขาฆ่าใตายล่ะก็ดีกว่าพระบงังรูปปฏิบัติธรรมแล้วก็เหนื่อหน่ายเบื่อหน่ายในชีวิตแล้วก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ยังต้องเอามีดมาฆ่าตัวเองให้ตาย ของเรานี่ดีคนอื่นมาฆ่าให้ตายไม่ต้องขนกวในการที่หาอาวุธมาฆ่าตัวเองพระเจ้าบราบอกสาตุถ้างนั้นเธ อ, อยงไปโบราณนําตะ ท, ท่ีนนั้นชาวบ้านเขาใจดีมากโมบานนี้จะบ้บนใจดีไม่ได้ดูร้ายหรอกแต่เพียงจะสร้างเรื่องสมมุติขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมัยพุทธกาล ที่ยังมีอในตำราตำรานในกระดานตำลามันตำนานแล้ว่นะมันตำจนแหลกเลยเป็นลาดำดำขึ้นอยู่ในหน้ากระดาษเชื้อรามดำดำมาตำลาเป็นหนังตัวอักษรที่เลื้อยอในกระดาษแต่คนถอดรหัสได้อะกลายเป็นเรื่องความรู้เป็นการจดบันทึกเอาไว้สมัยก่อนจดจำกันด้วยสมองคือฟังแล้วจําอย่างเช่นพระอานนท์หนึ่ง ฟังแล้วก็จําจําจำจําจำจำโดยสมองหรือ ว, ว่าพระสองรูปจําเหมือนกันเวลาทําสามีกิจเช่นบวชพระเห็นไนะพระอุปชากรรมวาจาจารย์สองรูปย่องท่องให้ตรงกันนะตาไม่ตรงกันรูปใดรูปหนึ่งท่องอีกรูปหนึ่งท่องไม่ได้ก็แสดงต้องเริ่มต้นใหม่ทบทวนประโยคนั้นใหม่อีกทีห น, นึาพร้อมกัน จำได้ด้วยสมองตอนหลังมีการจดบันทึกอย่างพัะไตปิดกนี่ก็ยุคปาศา450ปีนี่นะก็มีการจดบันทึกกันสร้างมันสร้างนีสร้างโน้นกันมากมายเลหรือว่ายุคพระเจ้าสมมาราษประมาณ2 0 3 4 2 0 3 5ี่ยุคนั้นก็มีการจดบันทึกกันในเสาอินาโศก สลักแกเอาไว้เราก็ได้เห็นว่าเออสิ่งนั้นก็ก่อประโยชน์กให้มนุษย์ยุกเก่าทุกวันนี้ <c oughs> ได้ได้อ่านได้เห็นได้ทรงจำแล้วก็มาถ่ายทอดกันอย่างนี้แต่ก็ไม่เหมือนกับที่หลวงปู่เทียนเคยแสดงออกว่าหลวงปู่เทียนไม่เคยศึกษาธรรมะจากหนังสือตำลับตำลา แต่รศึกษาจากตัวเองอ่านกายอ่านใจของตัวเองซึ่งจจยตรงกับสมัยของพระเจ้าคือพระเจ้าเนี่ยอ่านกายอ่านใจของตัวเองไม่ได้อ่านตำราเราก็เลยได้เห็นอํอนาจความเพลินมีคณะปฏิบัติเลยขณะนี้เลยไม่ใช่คณะไหนที่เพลินเพลินอยู่กับความง่วงเพลินอยู่กับที่นอนบางคนเป็นอย่างนั้นเลยนะจะมีศีลกำกับเอาไว้ศีลก็แปด สี่นิ้วแปดข้อนะ่ยมันมีอยู่ข้อแปดเนะี่ยก็คืออุจจาระไนะมหาไชนาตรงนี้ก็คือไม่นั่งนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่อุจจาระไนะมาไชนาเวรมันมีสิกขาประธาสมาธิยามิมัมีกากับเอาไว้เพืรู้เนะี่ยคือศีลคือความเป็นปกติของนักปฏิบัติธรรมผู้ที่อยู่วัดอยู่ว่าเราก็ต้องตื่นขึ้นมาทำวัด ออกจากที่นอนหากิจกรรมให้มันทแต่เป็นกิจกรรมที่ได้ต่อยอดนะการไปรมหรือว่าวิธีการเวทธรรมในวัฏสงฆ์ต่อไปเป็นการเดินทางเพราะฉะนั้นเจ้าทูตสี่เมื่อกี้ที่เราสวดกันก็คือเห็นการแก่การเจ็บการตายเห็นลํากระโปรงสมงเวชส่วนใหญ่มันไม่ได้เห็นว่าแก่ไม่ได้เห็นว่าเจ็บไม่เห็นว่าตายบางทีมาอยู่ความสุขสวยรวยดีนะ อย่เมื่อวานที่มามีกลุ่มหนึ่งค้าพอดีของชัยพูมเนี่ยแหละแค่เห็นพึ่งก็กลัวแล้วเดินผ่านขึ้นไปทางกุฏิร้อยปีหลวงปู่เทียนปากฏว่าปไปเจอพึ่งก็้ะพึ่งมันตอมกินนั่งอยู่ไม่กล้าเข้าเดินหลบมาเลยโอ้แค่พึ่งมันก็สกลรินคนนะบางคนใจดีหรือว่ามีความกล้าหาญไม่กลัว ดูมีความเป็นปกติเห็นเขาเป็นของธรรมดาธรรมดาเราระมัดระวังเราอย่าไปเหยียบเข า, ยาอย่าไปทําร้ายเขาระวังที่เราไม่ไประวังเขานหรือจะระวังตัวเราถ้าเข้ามาใกล้ๆเขาจะปัดเป่าก็เรียกว่ามีสติมีปัญญาดีนะมันก็จะได้เออสนทนาธรรเรื่องการฝึกสติกันปรากฏว่าเ อ, อต้องต้องมีลูกล่อลูกชน ต้งบ่าเออถามาถึงนี่แล้วไม่ได้ฟังทำไม่ได้ปฏิบัติธรรมแสดงเขาบนมันหายไปแล้วนะเพื่อนเดียเขฟังอยู่แสดงก็มีบุนอยู่ก็มีวาสนาที่จะต่อยอดเป็นจิตกุศลจิญสติแล้วรู้จักตัวเองได้ก็ต้องมีลุกล่อลุกชนไงแผ่เมตตาซะสัเพสตาัตต์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นต้องชวนแผ่เมตตาแล้วนกะั ออกกบายนชวนเดินก็ามาเดินเฉยๆนะถ้าเดินแล้วก็ใจบวกแวกนะ่ะเดี๋ยวมันต่อยอะไรนะแกกลัวมากเพราะว่าครั้งที่แล้วไม่นานมนะันเข้าโรงพยาบาลทีเดียวนะเดินต่อยทีเดียวเข้าโรงพยาบาลทีเดียวผิดใครพวกตีพึ่งนะเห็มันกลัวอะไรปีนขึ้นเขาหาเลยนะพวกตีพึ่งนะเอามือเขี่ยวเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวตัดรังไปเยๆอะไรอย่างเมาื่อวานนี้มีมอเตอไซค์อยู่กันจอดอยู่ จอดอยู่นอกรั้ววัดทางเดินเป็นทางเข้าวัดนะก็สงสัยเป็นกลุ่มนี้แหละล่าสัตว์ตีพึ่งตัดสมุนไพรที่พระเห็นแบกเปินเข้ามายิง ก, กระโลกระแตรนะเ ข, ขออาคงจะเป็นกลุ่มพวกนี้แหละเม้นก็กลัวเลยเดินก็มาเฉยเลยเราจะทำดีกับกลัวกันนะยังยกมือแซงขีหว่ากับกลัวกันแปลกมากกลัวทุกหลอกแต่เวลาอยู่ข้างนอกเราเห็นว่ามันถูกหลอกอยันไม่กลัว นั้นเป็นอำนาจของความเพลินนั้นเองนะแต่ทำผิดซีนผิดธรรมมีความเพลิดเพลินโอ้ก็เรียกว่าอยู่กับทุกข์ไม่เห็นทุกข์ปลาอยู่ในน้ำเห็นน้ำนกอยู่เห็นฟ้าเห็นฟ้าใส่เดือนอยู่ในดินเห็นดินนอนอยู่กับโคดอยู่กับขี้เห็นโคดเห็นขี้นี่เห็นสิ่งโสโปรกคนอยู่กับทุกข์เห็นทุกข์เลยนี่มันคำพูดของคนโบราณ การที่เราได้อ่านได้ยินได้ฟังก็เกิดประโยชน์นนะี่นะได้เกิดพลังเกิดกำลังใจว่าเออนีมันอาจจะมีจริงหรือมนมีจริงๆริงทำดีก็ดีทํำชั่วก็ชั่วทากรรมฐานอยู่เหนือดีเหนือชั่วเนี่ยมันคืนสู่สภาวะจิตเป็นความปกติของจิตนะเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาจิตเดิมแท้ที่ว่าสอนปองใสหรือว่าใจทิมว่างจากความหมายความเป็นตัวตนมันได้แสดงออกมาให้เราได้เลือก จะอยู่กับพื้นที่ไหนพื้นที่ที่มีกําลังใจอาตายาโนโนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตัวว่าเป็นเรื่องของเราต้องพึ่งผู้อื่นอยู่ต้องพึ่งรูปรสกลิ่นเสียงปูตปาธรมมลมคนหนึ่งสองสามวัตถุหนึ่งสองสามอยู่จนทั้งตายตาไม่หลับนี่มันก็ขาดตวนวเชีวิตเราถึงมาฝึกมาหาการอ บ, บรมบ่มนิสัยกันตัวเราก็พัฒนาตัวเรา ตัวการเจริญติดจิตตภาวนารู้สึกตัวกายเคลื่อนไหวใจรู้เนี่ยแหละตรงนี้มันเป็นหลักสูตรเป็นมหาจตุฐานสุรจะทำมันเห็นกายในกายไม่ใชสัตัว ต, ว ต, วตวนบุคคลเราเขาเงนะมันเกิดจริงๆนะมันไม่ใช่คำพูดคล่องๆปากมันมีจริงๆเมื่เราเห็นกายในกายไม่ใชสตัว ต, ว ต, วตวนบุคคลเราเขากระพริบตัะใช้กายให้เกิดประโยชน์เกิดความสะดวกอยู่การแก่การเจ็บการตายอยู่กับเทวทูต แต่เห็นเป็นเรื่องธรรมชาตินะแก่ก็ เ, เรื่องธรรมชาติเจ็บก็เรื่องธรรมชาติธรรมะเท่านั้นที่ออกมาสอนเราไม่ทางตายเราก็เห็นเป็นเรื่องธรรมชาติจากหนึ่งเห็นคนที่ใกล้ตัวตายแล้วเราก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะ่ะพ่อตายแม่ตายปู่ย่าตายตัวตายเราในปีขึ้นมาตอนอยู่ก็เกลียดกันพอตายทำไมยิ่งตายยิ่งร้องไห้ยิ่งรักกันกำขวรโอดควร ไม่น่าตายเลยไม่น่าตายเลยนะโอ้พ่อมึงพ่อมึงแม่มึงแม่มึงร้งงงง<ม>อ ง, องห่มร้องไห้ตอนอยู่กันก็ไม่ได้ช่วยเหลือกันันดูตอบอังเช่ น, เ, นนะเดี๋ยวช่วงสงกรานนะ่ะลองสังเกตกันแล้วกันนะกลับมาบ้านไฮสารนะ่ะพกเพื่อนมาติดเพื่อนมามาล้อมวงกินเหล้ามา ย, ยาดีคอน้องเป่ากันลั่นหมู่บ้านนนะี่วะเปิดเพลงเต้นลัม นอนกลางดินกินกลางทรายเป็นอย่างนั้นคลุกปุ่นไม่ยอมที่จะซื้ออาหารดีๆมาเข้าบ้านให้พ่อให้แม่เสื้อผ้าชุดใหม่แม้วให้พ่อให้แม่พ่อแม่ยังหิวโซอ ย, อยู่บางคนได้นั่งศาลนะวันสงการเห็นนั่งอยู่ในถุนบ้านเหงาเหงาเศร้าๆคนแก่ลูกหลานหายไปไหนหมดหยุ่นเทพหลงแสงสีเสียง จนลืมบ้านลืมช่องไม่กลับบ้านบ้านครอบครัวมันก็ไม่ใช่ครอบครัวนะว้าเวแล้วแถมปฏิบัติธรรมก็ไม่เคยปฏิบัติไม่อยากเข้าวัดเข้าว่ากลัวกันเข้าวัดแลกลัวกลัวเกาว่าเหนะมือนก็ว่าต้องพึ่งพาใส่วัดไม่รู้จักทํามาหากินมองไปอย่างนั้นกันเจ้าบ้านนอยากให้เข้ามาอย่างแม่เพี้ยนนะไมห้หมดทั้หมู่บ้านเลยเนาะเข้า่า มาไปประทุมกันมาใช้ให้คนอื่นมาใช้คนไกลตัวมาใช้วัดบารามคนไหนเนีชาวบ้านเราพร้อมไม่เข้าวัาามาก็มองมวัดนั้นอาจจะเสื่อมหรือถ้าวัดไม่เสื่อมแสดว่าชาวบ้าน่าเสื่อมชาวบ้านไม่เข้าวัดเราก็เลยนั่นแหละชื่นอกชื่นใจกันเวลาเห็นคนเข้าวัดช่วยเหลือกันจริงๆชาวบ้านเจ้าจ่องเข้ามาหรือว่าคนไหนไหนก็ามาใช้กเกิดประโยชน์ทั้งหมด บอกกับเราที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยนะคนไม่มีศีลก็เข้ามาแล้วนะคนไม่มีศีลยังไม่มาก็มาแล้วอย่างเงี้ยอันที่มาแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขมีความสุขมีความสุขก็โดยว่ามีความสุขกับการปฏิบัติธรรมด้วยนะยิ่งทำยิ่งเห็นทุกข์มันก็ยิ่งจิตยกสูงเงิไปเป็นมนุษย์เป็นพระเป็นพระอริยะระดับใดระดับหนึ่งมันเป็นไปได้จริงๆนะเพราะว่าพระสงฆ์ก็เป็นอริยสงฆ์ไปใช่ไ สติปัฏฐานอย่างถูกต้องต่อเนื่องมีผลย้ลยอนเป็นอริยบุคคลไปซะปฏิบัติธรรมถูกต้องต่อเนื่องมันก็เป็นสิ่งเดียวกันสะสมควาเป็นจริงมันก็มีอะไรในตัวเราทุกคนค ว, มวนามรู้เนื้อรถตัวก็มีอล้วทุกๆขนาดมาลงมือทำมันก็เห็นเหมือนกันทุกคน ก, ก้าวแต่ละก้าวก็ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางไว้ทุกทีรว่มันถึงแล้วทุกๆขนาดก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งอยู่แล้ว ขนาดนึงรู้สึกตัวไม่ทุกอยู่แล้วรู้สึกตัวขัง้งหนึ่งไม่ทุกมีแต่ความรู้รู้ตัวเป็นปก ต, ติอยู่กับปัจจุบันความคิดที่มันเคยเป็นสุขเป็นทุกข์อนาคตที่เคยเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็เออเจือจางคลายหายไปมันก็มีแต่ความสดชื่นชื้นอก ช, ชื่นใจชีวิตก็มีชีวิตที่ว่าไม่เหงาเปล่าเปล่วใจมีความหนักแน่นมีความมั่นคงมีความอดทน ทำอะไรเงียบเงียบการงานเงียบเงียบมันก็รู้สึกเออมันมีพลังนะเขาว่าเงียบเงียบหมายถึงว่าใจเราไม่ปร่งนะใจเราไม่โปรงสัน้นมันก็แน่วแน่การงานก็สําเร็จทุกอย่างทุกเรื่องนั่นนะถ้าคนมีสตินะทำงานยังไงมันก็ดีถึงผิดพลาดมันก็น้อยทําด้วยปัญญาพาธรรมสติพาธรรมมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรมากมายนะเป็นความหลงอยากใหญ่ไม่ใช่ไม่มีมันมีแต่เออแก้ไขกันไปเพื่อควหมู่มาก ศา ส, สนามันก็เป็นอย่างนี้จากตัวเราไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นไนมะ่ก็บีบเบียนต่อไปแล้วก็จึงพาไนะถึงจะน้อยมันก็มีพลังนะเวลารู้สึกตัวฝึกกรรมฐานเหมือนกับพระปุณณ์เนี่พระปุณณ์เนี่ยบรุธรรมเลยฝึกกรรมฐานนะในไปใจไปดอกนะักพูดไว้ชาอะไะในเจริญกรรมฐานฝึกกรรมฐานอยูน่นั่งบรรลุธรรมรู้สุดท้ายนะี่ ที่ชว่าสุภะทะปริภพาโชคก็เดินตรงกลมเลยวันเพ็ญขึ้นสิบห้าคั่มปรินิพานเลิกของพระเจ้าซึ่งตรงกับการตรจรู้ก็เป็นวันเดียวกันสิบห้าคั่มันเป็นวันเพ็ญที่เหมือนกับว่าหลายคนก็มองว่าเออทาไมไมันต้องเป็นวันเดียวกันมันเป็นเดือนหกขึ้นสิบห้าคั่เริ่มเป็นเดือน เดิน3าขึ้น15คหาั้การแก่การเจ็บการตายการสารพัดที่เกี่ยวข้องกับวันสาคัญตวนใหญ่มักจะเป็นวันเป็นขึ้นส้าขั้นพระอะไระสุภัสสุภัทตะก็เดินจงกรมอยู่แล้วก็จนทั่งกล่าวกันไะดหน้าตานี่มีลาสีลักษณะเป็นประกายงดงามมาก สว่างกว่าพระจันทร์หลังสีสว่างกว่าพระจันทร์เราก็เลยมามองกันเวลาปฏิบัติธรรมนะคนที่ปฏิบัติธรรมนะจะมีราศีลักษณะสังเกตอยู่ใครเดินจงกรมมา ก, มากๆเตื่นงตีสามมันจะมีราศีลักษณะมืนพลังชีวิตจะเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าช่วงไหนไม่ได้ปฏิบัติอยู่ัวเศร้าๆใจมันเศร้าๆยมันจะออกมาจากข้างในมาข้างนอกนะ ก็แสดงออกอย่างนั้นเราก็เจอนะสังเกตตัวเรานะบางทีมันก็ได้คำตอบจากการปฏิบัตนะิจนมันก็ว่าไม่ต้องให้ใครมาบอกก็ไดนะ้เหมือนกันแต่ยิ่งมีเพื่อนมีบรรยากาศของการยมิตรเนี้ยก็ยิ่งดีนะมีครูบาอาจารย์ยิ่งดนะีอย่างสมัยก่อนมีพระเจ้าอย่างเงี้ยตอนนี้เราจะพึ่งใครพระเจ้าก็บอกแล้วนะทำมัวิ น, นัยในเราเอาเป็นศาสดา แทนพระองค์พระนรเกตถามว่าถ้าท่นานดับกันบัลลินิพัน์ไปแล้วเนี่ยจเจ้าใครมันเป็นหลักเป็นศาสดาพระเจ้าบอกว่าธรรมะวินัยที่เรากล่าวเนี่ยเอาเป็นศาสดาแทนพระองค์ก็แล้วกันศาสนาปุถุกได้ไม่เสื่อมธรรมะก็คือนความรู้สึกตัวเนี่ยแหละถ้าเราเห็นความรู้สึกตัวนั่นแหะคือธรรมะแล้วมันมีอยู่ที่ตัวเรา ส่นผู้ใดเห็นพระวินัยก็คือเห็นแล้วนะของศีลปรากฏที่กายที่วาจาปรากฏที่จิตใจดิมปรากฏศีลคือความเป็นปกติเวลามันไม่ปกติทั้งหมดีะเกิดการฆ่าสัตว์เรามีเจตนาเว้นจากการฆ่าองนะหรือว่าเจตนาเว้นจากการลักทรัพย์พวกนี้คือพระวินัยมดเลยโดยศีลห้าศีล8ปดศีลสิบศีลสองร้อ ศีลสามรอยสิบ็นั่นคือพระวินัยหมดเลยหรือว่าศีลมันมีเป็นแสนแสนล้านล้านข้ออะไรเวื่อความไม่ปกติมันใช่ทั้งหมดเลยแต่เป็นปลีกย่อยไปไอ้ที่หลักๆเขวาว่ากันโดยหลักของการบวชของพระวินัยพระก็ต้องมีศีลสองร้อยยิบเจ็ว่าด้วยพญนาปฏิสังยุตมัก็มีแล้วสามสิบข้อการขวบฉันนั่นเพราะฉะนั้นตอนตืต่นยันหลับ มันเป็นพระวินัย ห, หมดเยถ้ารู้สึกตัวมันก็เรีออกว่ศีลข้อเดียวอันนี้มันสามารถที่จะให้เรามีความเป็นพระได้อย่างสมบูรณ์แบบเครยมีโบราณโบราณก็เล่ากันว่ามีเสือหกปากเสือหกปากมันหิวเสร็จแล้วมันก็ถูกขังไว้ในกรงขังเพราะว่ามันมันหิวแล้วเกินซุกซนแล้วเกันเจ้าของเหน็ดเหนื่อย จับขังกงไว้เสือเนี่ยคราวนี้ขังไว้มีซี่กงสามร้อยสิเอดซี่ซี่กงก็หมายถึศีลสามร้อยสิเอ็ดข้อของปิษุเนนะขังก็ขังไม่อยู่เ อ, อยเอา ส, 10, ส, นนนะสองร้อยยิบเจ็ดซี่ขังมันก็ขังไม่อยู่เอาศีลสิบสามเสนศีลของสามเสนขังมันก็ขังไม่อยู่เสือกดินหลุดออกมาได้ เอาศีลห้าเอาศีลแปดขังมันก็ขังไม่อยู่แต่ท้ายสุดเอาศีลข้อเดียวขังมันก็หมายถึงความรู้สึกตัวการมีสติเนี่ยรู้สึกตัวสัมผัสถ้าขังมันว่เาเขังอยู่ในเสือหกปากเสือหกปากก็หมายถึงการให้อาหารทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวัตถุ ก, กรรมกุลมันเป็นลักษณะของเสือหกปากที่บมรุ่มบมเรอเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มะ อันนั้นนำไปทำลายความเพลินเราก็จึงไม่ได้ทําเพื่อความเพลิดเพลินไว่าอย่าทำเพลินแล้วก็ทำํำขยันก็ทําขี้เกียจก็หยุดไม่ใช่เราใส่อำนาจความเพลินนั่นแหะมันคือความทุกข์คือความไม่ปกติที่ปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราความเป็นปกติรู้เฉยเฉยรู้จิเจือตัวนีน้มันก็คืออารมณ์กรรมฐานนั่นเองถ้าใครพบแล้วเ น, นี่ยไปเจริญตรงเนี้ยให้มากๆในรูปแบบนอกรูปแบบต่างๆ มันจะเกิดประโยชน์ทีเดียวนะละนะันทิราคาตัวนี้ละกลับมามาเป็นความรู้สึ่อๆกายเกิดไหลใจรู้รู้สื่อๆรู้สื่อๆ อ, อ, อันนี้เป็นคําพูดของหลวงปู่เทียนก็จํามาพูดให้ฟังส่วนอารมณ์ปฏิบัติเป็เรื่องของกายของเราแหละนะใครทําใครการู้ว่าตรงนั้นมันคืออะไรเราอยู่ตรงไหนมันก็เป็นความโรงปลนปอนกายเป็นความไม่ยึด ในวัตถุ ก, กรรมอุปนเรากฝึกให้จำชองนะี่จะเรื่องเป็นเรื่องของการเดินทางสู่การพ้นทุบไหลถลํมลึกไปสู่ความเป็นปกติอยู่เต็มพื้นที่ภายในจิตใจของเราต่อไปนีนะ่ก็เดินทางกันตามล้นะของความชํานาญของใคของเราต่อไปไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําได้ทุกคนคนจีนก็ได้ี่ปุ่นก็ได้วันนี้อาจารย์ยูกิก็จะไม่อยู่นะเมื่อวานลํำลากันจะไปญี่ปุ่น ว่าคนไทยที่นั่นก็สงกรานตะ์ทุกปีนยะมีเหมือนกันไปต้องการแลือเกินพระญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยโดยว่าะอาจารย์โยกิแกก็มีวิชากรรมฐานไปญี่ปุ่นแกก็ดังพอสมควรเหมือนกันนะมันเป็นการเผยแพร่ไม่ได้หมายถึงว่ารู้แล้วจะไม่บอกกันต่อๆไปมันที่กําลังพูดขณะนี้ก็ตาก็บอกต่อๆไปต้อ ไ, ไม่เกี่ยวกับศรัทธาความเชื่อและเกี่ยวว่า เราได้ทำลงไปรานะต้องรู้เท่ารู้ทันเหมือนกันเป็นอารมณ์ปฏิบัติอารมณ์กรรมฐานเดียวกันจิตสู่จิตทำสู่ทำ้ารู้สู่ทารู้เา็านไหมอ้าวชาวนกนว่าสมควรแก่วลานะเอวังก็มีด้วยประการลัคนี